ปรามาตัตตคำว่าปรามาตัตตก็คือขันธ์ธาตุอายตน ะ, ะซึ่งซึ่งมีสภาวะรองรับอนนะไรแต่ในขณะเดียวกันคําว่าขันธ์นีบัญญัติหรือปรามาตัตตขันธ์าปัญญัติอายตนะปัญญัติธ า, าตุปัญญตัติสัจจปัญญาติปุคละปัญญตัติกิตตาวตาปุคละนังปุคละปัญญตัติสมัยวิมุตโตสมัยวิมุตโตกุปธรรมโมกุปธรรมโมนนในคำภีบุคคลบัญญตัติกล่าวไว้อย่างนั้นคือ นั้นบัญญัติกับปรมาัตน์นั้นคละเคล้ากันไปมหาพูท ร, รูปเหมือนอสสรพิสีใครเป็นคนตรัสนั้นพระ อ, องค์พระ อ, องค์นั้นตรัสทั้งหมดเลยหรือบางทีเนี่ยตรัสว่าการบรรลุอริยสัจเนี่ยมีฝั่งนี้ฝั่งโน้นใช่ฝั่งในคือสกายะคืออุปาทานขันห้าหรือขันห้าเรียกว่าฝั่งในฝั่งนอกเลยแก่นิพัส น, น, นะผู้ถึงเวทพูดถึงฝั่ง คําคเหล่านี้ก็คือคละเคล้ากับสมมุติบัญญัติราะนั้นในบทพยัญชนะเหล่านั้นเนี่ยมีควบคู่กันทั้งสมมุติและบัญญตัติอย่างอริยสัจนี้เป็นเป็นประมัทสัจสมมุติสัจจะนี่นะพระองค์ก็ยังแสดงในในเรื่องอริยสัจด้วยฟันงอกอผมงอกฟันหักแก้มตอบหนังเป็นเกลียว เป็นต้นนะนะหรือแม้กระทั่งพลาดพลาดจากของรักพลาดพลาดจากบิดามารดาเป็นต้นนะผู้ที่ปฏิบัติกเกษมจากโยคะอันในในสัจจะบัพพะยังมีสมมุติเข้าไปประกอบตั้งมากมายมหาศาลมันถามว่าในในพยัญชนะสมมุติเหล่านั้นนี่ผู้ใดเป็นผู้แสดงก็พระผู้มีพระภาคเอกนั่นแหละนะอริยมรรคเนี่ยพระ อ, องค์บอกว่าเหมือนกับทางอย่างเงี้ยพระองค์ก็แสดงคําว่าทางเออ น, นั่นทางภายนอกนี้ทางภายในพระ อ, องค์ก็เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยและคละเคล้ากันไป นะในแต่ละสูตรนั้นอย่างเช่นว่าเอาเหล็กแหลมแหลมาทิ่มตาให้มันแตกไปหเหล็กแหลมแลมเนี่ยมันมันโดยประมัดมันก็เอาวินิโพค ร, รูปเท่านั้นเองใช่แต่ทำไมามาสมมติเรียกเหล็กแหลมแหลทิ่มตาให้แตกแต่พระองค์นี้ฉลาดแสดงทั้งสมมติและประมัดคละเข้ากันไปตามอินทรีย์ของศาสทั้งหลายถามมชาดกใครแสดงนะนั้นข้อความทั่วไปแล้วกล่าวว่า ไม่มีธรรมะบวชใดในาศาสนา ท, ที่ทิ้งจากกรรมฐานในสิ่งนั้นนั้นเนี่ยมีกรรมฐานรองรับหมดมเพียงแต่ว่ามองออกหรือเปล่าเท่านั้นเองมีความเข้าใจในคำสอนเหล่านั้นหรือเปล่าอันถ้าผู้ที่ศึกษาคำพีเนติเป็นต้นเนี่ยจะมองออกว่าในบทเหล่านั้นเนี่ยนะมันได้โดยตรงได้โดยอ้อมในเรื่องการใช้สับแบบอุปจาระใช้ศั์แบบนยะใช้สับแบบมุขยะใช้คาตรงๆเลยใช้คาอ้อมนะ พูดอย่างนี้ก็เท่ากับพูดดังนั้นโดยอ้อมและอย่างนี้เป็นต้นนั้นการศึกษานั้นก็ควรให้สัมพันธ์กันไม่ควรที่จะไปล็อกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นเปล่ายอมรับมหาสติประฐานสูตรแต่ไม่ยอมรับวินัยปิฎกสมมตินะยอมรับอภิธรรมปิฎกไม่ยอมรับพระสุตันตปิฎกหรือยอมรับสุตตันตปิฎกไม่ยอมรับอภิธรรมปิฎกยอมรับเล่มที่หนึ่งไม่ยอมรับเล่มที่45บ้ารับเล่มที่สาสิบดไม่รับเล่มที่สี่ิบยังไงถามว่าอันนี้ก็คือ ก็เท่ากับคําพูดที่ว่าเราจะเอาแขนของพระผู้มีประภาคแต่ว่าไม่เอาพนาสิกอย่างเงี้ยมันก็จะเอาอย่างอย่างหนึ่งตัดอีกอย่างหนึ่งออกไปตรงนี้แหละที่ถ้าเราสารณะเรียกว่าถึงไตาสารณคมตั้งกับต้นหรือว่าไม่ได้ศึกษาด้วยศรัทธาตั้งกับต้นพื้นฐานศรัทธาไม่ดีจริงๆก็ทีนี้ว่าชาวนะเนี่ยมีผลเสมอใครคิดอะไรก็จะได้ตาม ตามที่ตัวเองคิดไม่ต้องห่วงว่าชาววนะไม่มีผลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นสุขโตพระองค์เสด็จไปดีแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งกล่าวถึงพระองค์จะกล่าวด้วยจิตชนิดใดมีผลหมดเลยกล่าวด้วยศรัทธาเป็นต้นก็บอกว่าการยกย่องนับถือพระพุทธเจ้าถึงตอนหน้าหรือรับหลังก็ตามผลไม่ได้น้อยกว่ากันเลยนะผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าแม้แต่ว่าดับดับขันปริรณีผ่านไปแล้วหรือพระองค์ยังมีพระชนอยู่ ด้วยศรัทธาที่เท่ากันนะบุญไม่ได้แตกต่างกันเลยนั่นแหละแต่คนที่ทําบาปกับพระองค์เนี่ย ต, ตรงนี้ก็ฝาบทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของตนของเรานี่ถ้าเจริญกรุณาให้ตัวเองมากๆว่าเรากำลังทํากรรมไปเพื่ออะไรฉะนั้นขอามาตั้งใจว่าจะขอเป็นนักศึกษาเรียนตามไม่รู้บอกไม่รู้ตรงไหนพูดผิดก็ช่วยบอกเลยนะว่ามันผิดกับคําสอนสูตรนั้นสูตรนั้นช่วยช่วยแสงเคราะห์น่ เพราะว่าอย่างที่มาทํานี้ไม่ได้ทําแบบทําแบบนักเรียนเรียนด้วยทําด้วยศึกษาร่วมกันใช้คําว่าศึกษาร่วมกันนะแล้วก็ไปที่ไหนก็อย่าอ้างว่าเป็นของอาตมาแ ล, แล้วกั น, น, น, นเพราะว่าคนที่เขไม่ค่อยชอบอาตมานี่มีเยอะคือคือเราอาจจะทําบุญประเภทส่อเสียดไปเยอะนะอดีตดเหตุส่อเสียดไปเยอะก็เลยอิบากไม่ค่อยดีบางอย่างอ้างแล้วยมจะเสียคนอนะ่ะ มันเวลาที่ไหนก็อ้างพระพุทธเจ้าเอาไว้เถอะว่าเรานี่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระธรรมเป็นสารณะมีพระสงฆ์เป็นสารณะหรือไม่ถ้ามาศึกษาร่วมกันถ้ายมไม่ได้ถึงสารณะมากขึ้นกว่าเดิมเลยของอามาก็ผิดหวังโขงมา ก, กันนี่แหเพราะว่าไม่มีคนใดดีจริงๆในยุค น, นี้เรากล้ายอมรับว่าไม่มีคนที่ดีจริงๆเมื่อไม่มีใครดีจริงเนี่ยพระธนตาตรายเนี่ยท่านดีที่สุดละพระพุทธเจ้าดีที่สุดพระธรรมดีที่สุด พระสงฆ์ท่านดีที่สุดแล้วเราเคยศึกษาในพระสูตรหลายสูตรแม้แต่พระมหากัจจายนะเนี่ยนะคนไปถึงท่านเป็นสารณะท่านยังไม่เอาเลยท่านบอกว่าให้ถึงพระรัตนตรายเป็นสารณะเธออย่ามาถึงอาตมาเป็นสารณะเลยท่านท่านท่านดึงไปหาพระรัตนตรายตลอดเลยเพราะนั้นของเรามาศึกษาในลักษณะว่าเรานี่มันเกิดทางพระภู้มีประภาคนี่ก็ โดยปีเนี่ยนะก็สองพห้า้อสี่บสามปีแล้วนับแต่วันปริญนี้ผ่านมาถึงวันนี้ก็ห่างละโดยรูปปัจจัยนี้เราก็ห่างขออย่างเดียวว่านามากายเราจะได้ห่างเลยทํำยังไงเราจะทําด้วยศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะทำด้วยคุณธรรมเหล่านี้เพราะว่าศรัทธาเป็นต้นนี่คือทรัพย์ของเราชื่อเสียงเป็นต้นไม่ใช่ทรัพย์เลยเป็นสิ่งที่คนชอบเขาก็ชมคนชังเขาก็แช่งเขาก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่เราก็ยังเป็นไปตามกรรมของเราเหมือนเดิม บุคคลเมื่อทำชั่วแล้วถึงเขาจะบ่นบานสารกล่าวขอให้พระคุณท่านเนี่ยจะได้ตกนรกเลยนะถึงอย่างไงก้อนหินเนี่ยเมื่อโยนลงไปในน้ําก็ต้องจมฉันใดนะคนเมื่อทําชั่วก็จะเป็นลักษณะนั้นถึงใครจะชมหรือไม่ชมก็ตามก็จะเป็นลักษณะนั้นนะน้ำมันเนี่ยนะถ้าเทลงไปในน้ํายังไงน้ํามันหรือเนอยก็ไม่จมเนยเหลวเนี่ยนะจะไม่จมน้ําคนถ้าทําดีอยู่แล้วถ้ายังไงผลดีชวนะเหล่านั้นก็มีผลอยู่แล้ว นั้นพื้นฐานกรรมสกาตาอันนี้ให้แน่นไว้แล้วกรรมสกตาอันนี้ถ้าศัพท์กรรมสกตาเป็นประกอบกับศรัทธาด้วยมีตถาคตโพธิศรัทธานั่นแหละคือที่พึ่งของเราจริงๆคือพระรัตนะตรยัยนั้นเราศึกษาก็เพื่อโสตาปฏิยังฆาธรรมให้ศึกษาเพื่อโสตาปฏิยัคธรรมปฏิยังฆาธรรมให้มองให้ยาวไว้ก่อนอย่าไปหวังกับอย่างใดอย่างหนึ่งนักเลยเพราะว่า ในโลกนี้มันยุคโลกาภิวัตน์รวดเร็วทันใจหมดดีก็เร็วชั่วก็เร็วนั่นแหละท่านทํำยังไงชาววณะที่ที่เราทําไว้เนี่ยมันจะมีผลที่สุดมีผลมากที่สุดมียนิสง์มากที่สุดนั่นแหละคือชีวิตของเราท่านทั้งหลายนั่นแหละชีวิตของเราแท้แท้ซึ่งเราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเราเจอกันเฉพาะตรงนี้แต่เวลาที่เหลือแล้วสังสารวัตรไปอีกถ้าโดยส่วนตัวามาเชื่อว่าชาตินี้ยังไงไม่ได้นิพพานแน่นอนนะ เมื่อชาตินี้ไม่ได้นิพพานแน่นอนเนี่ยสังสารวัตเรายาวจากนี้ไปหาศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พนามว่าเมตไตรแทนดินหนาขึ้นอีก16กิโลเมตรดูที่ว่าเราจะยืนเรียงกันเนี่ยซ้อนกี่ชั่วร้อยคนเนี่ยจึงจะถึง16กิโลเมตรนะพระผู้มีพระภาค พ, พนามว่าเมตไตรยะจะมาอุบัติตรัสรู้ในคนยุค 80,000 ปีนะของเราตายอีกกี่ชาติอะ แล้วจากวันนี้ไปถึงวันนั้นเนี่ยนะชาวนะเราเกิดกี่ชาวนะชาวนะเหล่านั้นเป็นกายกรรมกี่ครั้งเป็นวิจีกรรมกี่ครั้งเป็นมโนโกรรมกี่ครั้งนะกายกรรมนี้เป็นสุจริตหรือเป็นทุจริตนั่นแหละคือของเราถ้าจิงอยู่ชาตินี้เราอาจจะสะสมบุญพอสมควรแต่ถ้าในช่วงระหว่างกลางไปเป็นมิจฉาทิฐิอะไรจะเกิดขึ้นไปเป็นมิจฉาทิฐิดีไม่ดีไปเป็นหัวหน้าเดรัจฉิอย่างเงี้ยตั้งปฏิปัก ขัดแย้งกับพระผู้มีพระภาคก็ได้แล้วเราทํายังไงศึกษาให้มองชีวิตของเราไว้ไกลๆเอาไว้อย่าได้ไปฝากฝังชีวิตไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่นอนถาวรอะไรเลยดงั้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายสา ม, มารถที่จะศึกษาค้นคว้าตามในพระไตรปิฎกได้ก็คือนี้สมบัติชินสุดท้ายที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมวินัยใดที่พระองค์ตรัสไว้ธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของ พวกเราทั้งหลายนั่นแหละที่พระองค์ฝากฝังไว้นั่นแหละคือสารณะของเราจริงๆอย่างเอื่อนนี้ยังมากก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรเท่านั้นเองแต่อย่าลืมว่าคนในยุคนี้นั้นคนยังมีกิเลสเมื่อคนยังมีกิเลสเนี่ยขณะที่กิเลสมันกำเริบก็เหมือนกับไข้ขึ้นอนะ่ะมันก็ครางบ้างอะไรบ้างไปตามธรรมดาตามอำนาจของกิเลสอันเราจะไปเอาคนมีกิเลสหรือคนมีไข้บอกว่าคนนี้หายสนิดแล้วไม่ได้เราก็มองเข้าอย่างที่เขาเป็นนะ เราก็เหมือนกับเรามองเพื่อนอ่ะเราไม่ไดบว่าเออเพื่อนคนนี้เราไปให้ดีให้ค่าจนเกินไปก็ไม่ใช่เราก็มองอย่างที่เขาเป็นเราสํานวนทั่วไปเขาเป็นพ่อเราก็เรียกพ่อเขาเป็นแม่เราก็เรียกแม่เป็นพี่เรียกพี่หรือเพื่อนเรียกเพื่อ น, อนคนทั้งหลายทั่วไปเป็นลักษณะนั้นจริงๆเป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยนะถ้าเป็นอยู่ร่วมกันก็คือใช้ชีวิตควบคู่กันไปแต่เราก็ขอให้ให้ศึกษาพระธรรมคําสอนนั่นแหละจะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราจริงๆอย่างอื่นนี่ไม่ใช่แล้ว คำสอนในยุคนี้ 2,500 กว่าปีแล้วเนี่ยลัทธินิกาเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกมากมายมหาศาลลัทธิมากจริงๆเมื่อลัทธิมากจริงๆนั้นแต่ละกลุ่มแต่ละค่ายเนี่ยนะไม่มีของเทียมไปถามเขาเลยสิ่งที่เขาทำนี้ไม่มีผิดแม้แต่ข่ายเดียวใครมาบอกเราผิดได้ไหมเชื่อไหมที่คุณกำลังทำเนี่ยผิดทั้งนั้นแหละนะผิดข้ายผิดสานักชั้นไง แต่ทุกคนจะยืนยันในสิ่งที่ตัวเองทำเสมออย่างคนพูดด้วยมานะนะก็ยังบอกว่าตัวเองพูดดีอีกคนพูดด้วยโทรศะก็ยังบอกว่าฉันพูดดีอีกใช่ไดาเขาอยู่เครื่องชั่วโมงก็ยังบอกว่าฉันนี่ดีอีกสรุปแล้วของฉันดีหมดแหละทุกคนเขาจะเป็นในลักษณะนั้นลักษณะนั้นๆไม่มีคนผิดเชื่อเถอะหาเลยไม่มีคนผิดถ้าหาคนผิดนะคนจะไปสารภาพหมดเลยนะ ไม่ต้องตั้งโรงตั้งสารอะไรหรอก <ś led> ฉันผิดแล้วนะม า, ายืน่นกุญแจไปเลยสายเอาเข้าคุกได้เลยไปทําผิดอย่างนี้อย่างนี้อย่าง น, างนี้ไม่ต้องสอบสวนอะไรหรอกไม่ต้องมีตํารวจอะไรเท่าไหร่หรอก <ś led> แต่ไม่ใช่คนไม่ใช่อย่างนั้นสัตว์โลกมีพื้นฐานแห่งทุจริตนะกิเลสที่มีอยู่ในใจนะั้นโลภะโทสะโมหะมานะอิจฉามัจฉ ร, ริยะเนี่ยที่มันอยู่ในจิตมันเป็นเหมือนกับตัวโรคมันจะเล่นงานให้เต็มที่ อันคนที่มีเชื้อไอ้ที่ไม่ดีอยู่ในใจอย่างนั้นเนี่ยมันได้ปัจจัยมันก็แสดงออกมาทางกายกรรมแสดงออกมาทางวาจีกรรมอันกายะทุจริตบริบูรณ์วจีทุจริตบริบูรณ์มโนทุจริตนี้บริบูรณ์อันถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษามหากรุณาสมาบัติยานของพระผู้มีพระภาคจะเห็นชัดเลยว่าหมูสัตว์นี้เป็นอย่างนั้นจริงๆรกชัดไปด้วยอํานาจกิเลสถูกตันหาเนี่ย ถูกลูกสอนคือโ ล, โลภะมานะทิฏฐิเนี่ยเสียบแทงอยู่ในใจเราก็นึกดูว่าอาการของคนที่ถูกลูกสอนแทงเนี่ยเป็นยังไงสมัยยังไม่ได้บวชเนี่ยยังอยู่ที่ที่บ้านไม่เด็กๆยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยกลางคืนหน้าหนาวอย่างเงี้ยจะไม่ได้อยู่บ้านและจะแบกไอ้ปืนหน้าไม้อะเรียกว่าเป็นลูกหลอกอะไปละไปเพื่อที่จะไปยิงหนูตามท้องนาเนี่ย มันจะมีมีจอมปลวกใช่ไหมจอมปลวกก็จะมีรูหนูหนูตัวไหนออกมาเนี่ยเจอเราก็ยิงอะ่ะหนูตัวไหนที่ยิงเนี่ยบางทีเราจะไม่ยิงให้มันตายยิงให้มันถูกที่ใดที่หนึ่งให้มันดิ้นให้มันร้องมันจะได้เรียกญาติมันมายอันหนูที่ถูกลูกสอนแทงเนี่ยเป็นต้นเนี่ยมันร้องมันทั้งร้องทั้งหมุนเนี่ยนะเลือดอาบไปหมดนั่นแหละ สัตว์ที่ถูกลูกสอนคือโลภะโทสะโมหะมานะทิมแทงอยู่ในใจมันก็จะดิ้นแบบนั้นเหมือนกันมันจะดิ้นเพื่อที่จะเอาตัวรอดนะด้วยอํานาจบาปอากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็จะเป็นในลักษณะนั้นเราไม่แปลกใจหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยความถูกต้องในสัตว์เนี่ยหายากเพราะทุกคนจะไม่ยอมรับว่าตัวเองนี่เป็นเป็นบาปอากุศลโลภะเกิดทั้งวันเนี่ยใครมาว่าไม่ดีรับได้ที่ไหนจนกว่าเขาจะสํานึกในตัวของเขาเอง ถ้าเขาไม่สํานึกโดยตัวเขาเองเนี่ยนะไม่มีคนอื่นไป ม, มีผิดบอกเขาเลยในเรื่องของชั้นอนะ่ะอย่างน้อยที่สุดก็จะปกป้องตัวเองอั้นกามุปาทานเนี่ยมากทิฏฐุปาทานก็แรงอัตวาทุปาทานศีละพัตุปาทานมั่นคงอันทุกคนนี่ไม่มีคนผิดคิดเสมอว่าตัวเองไม่ผิดตัวเองเนี่ยดีหมดอ่ะนะนก็จะเป็นในลักษณะนี้บาปอาคุศนก็เล่นงานจนถึงกัคกิเลสพันห้านั่นแหละมันเล่นงาน กลุ่มรุมไปหมดนะงั้นพระองค์มีมหากรุณาที่คุณต่อสัตว์และสัตว์นี่อยู่ในทุกกองทุกอย่างนี้แหละนะด้วยกรุณาเป็นต้นนั่นเองตักเตือนทําให้พระองค์เนี่ยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นเลยนะจนถึงกับว่าพระองค์เนี่ยแสดงธรรมแต่ละวันเนี่ยก็ด้วยกรุณาที่ตักเตือนอุปนิสัยที่สะสมกรุณามาด้วยและเจริญมหากรุณาที่คุณตลอดต่อสัตว์ทั้งหลายนี่แหละกรุณาตัวนั้นนี่กระตุ้นเตือน ที่ดูนะพอพระองค์พอบอกว่าดับขันปรืนิพพานเท่านั้นแหละพระองค์เนี่ยโอ้โหโสมนัสเปล่งอุทานขึ้นมาอย่างมีความสุขที่สุดว่างั้นเถอะดีใจของท่านมากเมื่อท่านบอกว่าหมดภาระล้ปลงภาระและ้วท่านรู้ว่าอีกสามเดือนจะนิพผานเนี่ยท่านดีใจที่สุดในโลกว่างั้นเถอะกระเหมือนกับพูดว่าภารากิจของท่านเสร็จแล้วนะภารกิจของความเป็นพระพุทธเจ้าแต่ที่พระองค์ทํานี่เพราะอะไร ไม่ยอมไปเข้าพระรามาบัตรซึ่งมันมีความสุขยิ่งกว่าสุขใดๆทั้งหมดเลยเนี่ยนะพระองค์จะนั่งให้ได้รับความสุขไม่มีอย่างอื่นมาปนเลยเจ็วันสืบเนื่องกัน ก, ก็ทำได้แต่ทำไมพระองค์ต้องมาเทศมาสแสดงมานั่งให้เขาด่าอา้าด่าไปด่าให้หมดนะเหมือนกับที่ว่าพร์ท่านเคยมีแขกมาที่บ้านไหมนี่นะเออท่านเคยรับเอาอาหารเป็นต้นมารับแขกไหมเคย แต่ถ้าแขกไม่บริโภคนี่ใครจะเอาเหมือกันก็ข้าพเจ้านี่แหละพระโคโดมเหมือนกันเออนั่นแหละท่านมาดาตถาคตตถาคตไม่ได้ด่าตอบไม่ได้โกรธตอบก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนั่นแหละเห็นแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมพาราธวาชาณ์นั้นตอนหลังก็ออกบวชก็เป็นพระอาหารหันต์คิดโดยนะจะรับให้เขาเป็นพระอาหารหันต์เพื่อประโยชน์สุขแก่ตัวเขาเองเนี่ยนะยอมถูกด่ายอมให้อากุสนี่บาปเกิดขึ้นโสตะวิญญาณแต่ว่าชาวนะของพระองค์ไม่เป็นบาปเป็นอกุศล ถาว่าพราะองค์ทำทั้งหมดเพื่อใครก็เพื่อสรพรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราด้วยนั่นแหละงนั้นโอวาทคำสอนเหล่านั้นก็จะเป็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นที่ที่เรามาศึกษานี้ของามาอยากจะให้เราทั้งหลายตั้งอตัตตสัมมาปณิทิตั้งกระต้นว่าเรากําลังศึกษาพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณอยู่นะงนั้นให้มองในลักษณะนั้นไว้เราจะได้มีโทษน้อยน่อ ย, อยวันนี้ยังไม่เข้าใจในพระธรรมนั้นนั้นก็ไม่เป็นไรแต่อย่าพิ่งปฏิเสธ เนะพราะปฏิเสธเนี่ยคือการการที่เราปิดกั้นตัวเองพระรัตนตรัยเนี่ยนะท่านบริสุทธิ์บริบูรณ์เรียบร้อยแล้วท่านไม่มีได้มีเสียกับเราแน่นอนที่เราทำเนี่ยนะพระรัตนตรัยไม่มีได้เสียกับเราเลยนะที่เราถึงมาพูดยกยอพระพุทธเจ้าเพราะองค์ไม่ได้เสียกับเราเลยนะแต่เราเนี่ยชาวนะของเราเนี่ยมีได้มีเสียถ้าเป็นกุศลก็กุศลนั่นแหละของเราถ้าเป็นอกุศลนั่นแหละของเราสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจริงๆ มันให้ให้เราตั้งตั้งจิตเอาไว้ให้ชอบทำเสร็จแล้วพยายามกล่าวตามที่สุดนั่นแหละไม่รู้ก็บอกไม่รู้เถอะไม่ได้เสียหายหรอกเขาไม่เอาไปฆ่าหรอกถ้าเราพูดว่าไม่รู้นะเขาไม่ไม่ด่าเราหรอกนะทำไมไม่อวดตัวจริงๆเขาไม่ด่าเราง่ายๆหรอกเพราะนั้นไม่รู้เราก็พูดเธอไม่เป็นไรหรอกเสร็จแล้วก็ตั้งอัตตสัมมาปฏิทิศให้ดีแล้วก็ศึกษาไปเถอะนั่นแหละวันนี้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันต่อไปก็รู้เองนั่นแหละ ความรู้มันก็ค่อยๆสะสมพอกโูลแต่ถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยพอมาเนี่ยกลัวที่สุดเลยเมื่อปฏิเสธแล้วเนี่ยนะมันเป็นทิฏฐิถ้ามันเป็นทิฏฐิแล้วมันจะไปปิดมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นปับ๊บมิจฉาสังกปะก็จะตามมานะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตมิจฉาอาชีวมิจฉาวายามมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเป็นต้นก็จะมานะั้นครูทั้ง6ในสมัยพุทธกาลไม่มีโอกาสเจอหน้าพระพุทธเจ้าเลย ด้วยอำนาจของมิจฉาทิฐิเหล่านั้นมันกางกั้นมันปิดกั้นเอาไว้นั่นแหละแล้วก็เป็นตอต้อนตอเฝ้าวัตตาบุรณะกสปะตาแล้วไปตกอเวจีมหานรกฉะนั้นประโยชน์เหล่านี้เราทั้งหลายก็ไม่ควรเสียแต่ว่าโสตาปฏิยคธรรมเนี่ยการศึกษาของเราก็ต้องไม่ลืมของเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยก็ต้องศึกษาตามแนวนี้ถ้าโสตาปฏิยังคธรรมเนี่ยเห็นได้ที่ศรัทธาศรัทธาเห็นได้ที่โสตาปฏิยังคัตธรรมนะ มีการฟังทรนะงจําเป็นต้นเนี่ยนะทั้งฟังทั้งทรงจําทั้งเอามาตรึกเอามาคิดเอามาปฏิบัติตามเท่าที่จะทําได้ตามสมควรแก่สติตามสมควรแก่วิริยะตามสมควรแก่สมาธิตามสมควรแก่ปัญญาที่มันเกิดขึ้นทําได้เท่าไร่นั่นแหละคือของเราแลนะอันพื้นฐานการมศกตาใ ห, ให้มั่นจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยน่ า, น, าน่าสงสารมาก คือที่กล่าวนี้เพราะว่าคนยุคนี้เนี่ยทำบาปโดยที่ไม่รู้ตัวกันค่อนข้างมากว่าจีทุจริตเนี่ยเกิดมากเพราะพื้นฐานสัมมาทิฏฐิไม่เพียงพ อ, อ น, นะเช่นพระธรรมคำสอนเนี่ยก็จะเอาสูตรนี้โดยปัดสูตรนั้นออกไปนะจะเอาอย่างนี้จะไม่เอาอย่างนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างบางจะเอาแต่สวิปัสนาไม่เอาสมถะทัี่สมถะใครแสดงคนจะเอาสมถาทวิปัสนาไม่เอาศีลไม่ศีลใครแสดงแล้วก็จะมีความขัดแย้งในตัว แล้วเมื่อขัดแย้งเนี่ยกลุ่มนี้ขัดแย้งกับกลุ่มนั้นต่างคนต่างจะบอกว่ากลุ่มนั้นไม่ดีเมื่อกลุ่มนั้นไม่ดีก็จะเลยเถิดไปปฏิเสธธรร ม, มะที่กลุ่มนั้นทําถูกต้องด้วยส่วนไหนที่ถูกก็จะไปปฏิเสธเขาเมื่อไปปฏิเสธเขาเนี่ยนะวาจาของเราเนี่ยกลับไปทิมคําสอนเมื่อทิมคําสอนนี่แหละเราจะซวยละตรงนี้แหละที่ที่เราก็มีกรรมเป็นของของตนจริงๆเลยแหละนะฉันของเราเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเกิดห่างพระัตนะไตรขนาดนี้นี่ก็ถือว่า สำหรับตัวมาเองคิดว่านี้ก็ตราบาปเต็มทีแล้วก็มานึกหนึงว่าเราเนี่ยนังก็เกิดมามันเกิดในชนบทนเกิดในท้องไร่ท้องนาแล้วเกิดมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าเนี่ยนะใช้ชีวิตในป่าก็ใช้ชีวิตแบบเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมกลางคืนเนี่ยก็ต้องบานนาตีบา้านอั้นชีวิตนี้ถ้าหากว่าสัตว์ไม่ตายต่ํากว่าร้อยตัวเราก็ไม่อยู่ไม่ได้ใช่ไหมตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ต้องก่อนนอนเนี่ยเราต้องไปดักไว้เบ็ดเสร็จหมดสัตว์ ใช่ไหมเช้าก็ไปกู้กลางวันก็ไปหาอีกมันชีวิตก็ใช้อยู่อย่างนี้เป็นเป็นสิบปีอ่ะกว่าจะเจริญเติบ โ, โตมาขนาดนี้อันกายการรมมจีกรรมของเราเนี่ยเป็นไปกับทุจริตก็มากพอสมควรแล้วพอโตออกมาเนี่ยนะศึกษาพระธรรมคําสอนก็ไม่เด็กกะละยานามิตรง่ายๆนะไปแต่ละแห่งแต่ละค่ายว่าไม่เหมือนกันซะอย่าง <c oughs> นี้ก็แสดงว่าเหตุนั้นๆ <c oughs> เนี่ยนะที่ทําให้ทวิปัญจาเราได้รับด้วยชาวนะที่สะสมใหม่ด้วย เราขอามาเผยแพร่มาตั้งหลายวิธีแล้ไม่ไม่เอ่ยว่าวิธีใดบ้างแต่ว่าทํามาตั้งหลายอย่างแต่ถ้าอย่างนั้นถูกอย่างนี้นก็ผิดแต่ถ้าอย่างนี้อย่างนี้ถูกอย่างนั้นก็ผิดเราก็รู้แค่นั้นเองมันก็มีอยู่สองอย่างถ้าเราผิดเออถามว่าไอ้ที่เราทํามีผลไหมชาวนะมีผลไหมเมื่อชาวนะมีผลใครรับถึงเราจะหลอกหรือไม่หลอกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าสังขารยังไงก็ต้องเป็นปัจจัยกับวิ ญ, ญญาณอยู่แล้วใช่ไหมสังขารก็คือกรรมวิ ญ, ญญาณก็คือ วิบากแล ะ, ะวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมมชรูปนะนั้นนามรูปมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นชีวิตก็ต้องเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วทีนี้ทํายังไงเราจะให้ตั้งอัตตะสัมมาปณิที่ให้มันชอบถูกต้องนี้เราก็นึกถึงตัวอย่างว่าแม้แต่ภาษาสดาของเราสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ยังเคยตําหน์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ แต่พระ อ, องค์ก็สำนึกโทษเห็นโทษ โ, โดยความเป็นโทษแล้วพระ อ, องค์ทำคืนเมื่อพระองค์ทำคืนแล้วตอนหลังพระ อ, องค์ก็ได้ดิบได้ดีจนถึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ต้องเหมือนกันนะเราต้องมั่นคงในกรรมมกตาให้มากที่สุดเราอั น, นเจตนาความคิดทุกความคิดเป็นของเราจริงๆนะเราคิดอะไรนั่นแหละคือของเราพอเรามั่นคงในกรรมสกตาอันนี้เข้าเราจะเห็นคุณค่าของอาธิศีนเป็นต้น จะเริ่มเห็นคุณค่าของปาติโมกขสังวรว่าทํายังไงปาติโมกขสังวรกุศลธรรมเหล่านี้จึงจะเกิดขึ้นเมื่อเห็นคุณค่าของปาติโมกขสังวรจะเริ่มเห็นคุณค่าของอินทรียสังวรต่อไปอีกเห็นคุณค่าของปัจจยะยสรรันนิสิตศินพิจรารณาสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอ น, นะและจะเห็นคุณค่าของอาชีวะปริสุทธิสิลจะเห็นคุณค่าของส ม, ะมถะกรรมฐานที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงไว้ทุกอย่างเลย นะทั้งสี่กองเราทําไม่ได้ส่วนหนึ่งแต่ก็มีศรัทธาว่าคำสอนเหล่านั้นเนี่ยเป็นนิยานิกระทัมเป็นคําสอนที่ช่วยหรือสัตว์ให้พ้นจากกองทุกได้ถึงเราปฏิบัติไม่ได้แต่ก็คือสารณะของเราใช่ไหมสมถาวิปัสนาขันธาตุอายตนะก็คือคําสอนของภาษาสดาของเราัน้นทํำยังไงอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาจึงจะเพิ่มพูนบริบูรณ์มากขึ้นนะตามกําลังของเราอั้นของเรานั้นปฏิบัติปูตุชนนะ มีการศึกษาคำสอนอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองคือนิสรณะปริยัติศึกษาคำสอนเพื่อเพื่อให้พ้นจากสังสารทุกข์อันคนมีบุญมากก็ในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยคนไม่ค่อยมีบุญก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะอย่างหลายท่านเขามีบุญเขาก็สามารถสงเคราะห์คนอื่นคนอื่นเขา พ, พูดแล้วคนอื่นเขาฟังเป็นต้นนะแต่บางท่านก็ไม่ได้พูดเมื่อไหร่ก็เสียคนเลยเดินผ่านเฉีย ด, เ, ยดเขาแล้วเหลแล้วนะ เขาอุศนไม่เจริญกันแล้วแล้วก็พยายามตั้งอัตตาสมาปนิที่ให้ดีว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจริงๆถามว่าพิจารณาอย่างนี้จเจริญอุเบกขาไหมไม่ใช่อุเบกขาพรหมิหารแน่นอนเพราะเราอุเบกขาพรหมิหารส่วนใหญ่ท่านเจริญต่อเมื่อได้ตติยะฌานไปแล้วนะตะติยะฌานของเมตตาของกรุณาและของมุทิตาไปแล้วนะจึงจะต่อด้วยอุเบกขาพรหมิหาร แต่ของเราเนี่ยเมตตาพรหมิหารยังไม่ค่อยจะเกินการพิจารณาเรื่องกรรมมากๆเดี๋ยวจะได้กล่าวต่อไปนั้นว่า<ม>การพิจารณาเรื่องกรรมนี่ทําให้เราเจริญกรรมมัศกตาปัญญา เ, เจริญกรรมมักตา ม, มากๆจะทําให้เราเจริญพรหมิหารมากขึ้นเพราะเราจะรู้ว่าเรานี่เป็นไปตามกรรมกรรมประเภทเมตตาเราไม่ค่อยได้ทําไม่ทําให้ประเภทโทสะเนี่ยมันให้ผลเป็นอย่างไรก็จะทําให้ตื่นตัวในการเจริญเมตตาเป็นต้นนั้นอะมากๆขึ้น ไปตะยาเลยช่วงนี้ใครสงสัยอะไรป่ะผมก็เห็นด้วยทุกอย่างแล้วครับนไม่ว่าท่านทำอาุศลคนเดียวเมื่อไรครับท่านยังมีเพื่อนผมอยู่นี่แหละตีห้าเราออกไปทอดแหแล้ว แม่น้ำเจ้าพญานั่นเนี่ยวัดน้ำบนตำบลบางเดือจังหวัดปฐุมธ า, น, า น, นีผมก็ผ่านมาพอสมควรกันนะเรื่องบาปไม่เบาเหมือนกะันะแล้วม า, าเป็นอาชีพทหาร อ, าอ้ยโอ้ก็ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นปฏิคนันิมิตแทบทั้งนั้นเลยนะมันไม่ต้องพูดถึงชาวัน <c oughs> หน้าจะเป็นยังไงกาเปลียน คือว่าอโยมโยมที่ไปที่ที่อายุ80นี่ยนะะท่านก็บอกว่าอนัตตาเนี่ยไม่ค่อยพอใจคือว่าจะจะนึกขึ้นได้ก็บอกว่าเมื่อเมื่อตายไปแล้วเนี่ยอนัตตาแล้วล่ะอไงเธอคําว่าอนัตตานั้นอนัตตานี่นะแล้วแต่ว่าเราจะเอาธรรมะหมวดใดยกขึ้นมาอนัตตาบางอย่างเป็นทุกข์สัตย์ อนัตตาบางอย่างเป็นสมุทัยสัตว์อนัตตาบางอย่างเป็นนิโรธสัตว์อนัตตาบางอย่างเป็นมรรคสัตว์เนี่ยสมุทัยสัตว์อนัตตาที่เป็นทุกขสัตยังแบ่งเป็นกุศลอกุศลวิบากและกิริยาอันนะทั้งๆที่เป็นทุกขสัตว์นะโดยสัจจะชั้นสูงสุดของพระริยเจ้าแล้วนะกุศลอกุศลนี่ก็เป็นทุกขสัตว์แล้วก็วิบากกิริยาก็เป็นทุกขสัตว์แต่ในปุตุชนทั่วไปเนี่ย ทุกขสัตย์ควรเจริญแบบเรานะกุศลควรเจริญไหมมหากุศลควรเจริญ น, นี่นี่ระดับธรรมดาทั่วไปฉะนั้นทุกขสัตว์เนี่ยนะเป็นปริญญยากิจ ด, ด้วยถ้าพูดทานวนระดับสูงสุดเลยนะทุกขสัตรว์ทั้งหมดเป็นปริญญยากิจมัคสัตริย์ในขณะ ม, มัคจิตเป็นปริญพ า, าเวตประธรรมเป็นธรรมะที่ควรเจริญแต่ถ้าในระดับธรรมดาแล้วนะก็มาแบ่งว่า กุศลอากุศลวิบากกิริยานะกุศลลจิตควรควรเจริญอากุศลควรละนะวิบากกิริยาควรปริญญาญกริทธินะ์ทำปริญญาสามเท่านั้นเองเอามาให้เอาทำยังไงอะ่ะพวกวิบากกิริยาหรือว่ากรรมชรูปหรือรูปทั้งหลายจะนามาทําเป็นกุศลให้ได้อะ่ะแปลวัตถุเด็บที่มีอยู่ให้มาเป็นกุศลให้ได้อะ่ะนั่นคือนั่นคืออนัตตาทั้งหมดเลย นะความเป็นอนัตตาของอกุศลควรละเพราะอนัตตาแบบนั้นมีโทษให้พ้นเป็นความทุกข์นะอนัตตาบางอย่างนะไม่มีโทษให้พ้นเป็นความสุขแต่ก็สัพเพธรรมานาตาหมดเลยนะไม่มีอะไรเป็นอัตตาแม้แต่อย่างเดียวอนัตตาหมดแต่ให้แบ่งว่าอนัตตาบางอย่างละอย่างเดียวโลภะเป็นอนัตตาแต่ถ้าเกิดมากเสียหาย โทสะก็เป็นอนัตตาแต่ถ้าใครปล่อยให้ทําให้มันเกิดถึงกระดา่าใครได้ยิ่งมีโทษมากนะถ้าลิ้ยงไปล่วงกรรมล่วงปาณาติบาตนี้กว่าอนัตตาโอ้แต่อนัตตาแบบนี้โทษมากจริงๆนะอนัตตาบางอย่างควรเจริญแต่ก็เรามาแบ่งถธรทำเหล่านั้นให้ใ ห, ให้ออกแบบนี้นะนั้นคําว่าอนัตตก็ตามกิจนั้นๆสมควรศีลเป็นอนัตตาแต่ควรเจริญนะพระองค์สอนให้เจริญให้ทําให้มากนะวิปัสสนาเป็นอนัตตาแต่สอนให้พอกพูนพอกพูนเอาไว้นะ ให้แบ่งลักษณะนั้นเอาแต่นี้อนัตตาหมดเลยไม่มีอะไรเป็นอัตตาสักอย่างหรอกที่พูดนี้ก็เป็นอนัตตาแต่ทําไมเราต้องพูดต่อไปเพราะเป็นมีปัจจัยใช่ไหมว่ากุศลควรเจริญะว่าชาวนะที่ทําให้เกิดการพูดเป็นกุศลกุศลเหล่านี้ทําจิตตชรูปจิตตชรูปเหล่านี้ซึ่งเป็นผลของกุศลกุศลอันนั้นควรเจริญก็เป็นมาเป็นจิตตชรูปนเป็นคําพูดเปล่งออกมาเป็นสัพทะรูปเป็นเสียงออกมาอันนี้ก็เป็นอนัตตาทั้งหมดนั่นแหละนะ แบ่งลักษณะนี้นะอันที่จริงท่านเชื่อไหมครับว่าการกระทําของเราทุกชนิดนะครับไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะตั้งใจไม่ตั้งใจจะทํำยังไงก็แล้วแต่ทุกขณะจิตนะเป็นอนัตตาหมดไม่มีอัตตาแท้แข็งเลยแต่ที่เป็นอัตตาเพราะเราเข้าไปเข้าใจไปถือตั้งหากมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นเท่านั้นเองมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้าใจผิดเท่านั้นเองที่เราเข้าไปมีความคิดผิดอย่างนั้น แต่ที่จริงเราเราจะตั้งใจถือศีลเราจะทํำบาปเราจะทําชั่วทําดีไงนะเป็นเรื่องอนัตตามหมดเลยเพราะมันมาจากเหตุทั้งสิ้นเลยไม่มีเลยเจตพันเพราะว่า ท, ที่เรียกว่าอัตตาก็คือทิฏฐิอันนะทิฏฐินี่แปลว่าอะไรแปลว่าสําคัญผิดไปหรือเห็นผิดเท่านั้นเองเช่นว่าเห็นสำนวนไทยแล้วว่าเห็นดีเป็นชั่วเห็นเห็นดำเป็นขาวอ่ะนะจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกจริงๆมันก็อขาวก็คือขาวดาก็คือดํา ดีก็คือดีชั่วก็คือชั่วแต่ลักษณะของทิฐิมันไปบอกว่าดีเป็นดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีดําเป็นขาวขาวเป็นดําอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ไอความคิดตัวนั้นมีทิฐิเจตสิกเนี่ยมีนะแต่ทิฐิเจตสิกก็เป็นอนัตตาอีกนั่นแหละไอความคิดอันนั้นก็เป็นอนัตตาเพราะเกิดด้วยปจยัจจัยแต่สิ่งที่ทิฐิคิดก็เป็นอนัตตาแต่มันคิดไม่ถูกอะนะ อย่างอายกตัวอย่างนะไอ้มิชชาทิธิเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยหลงทิดนะมองทางนี้เป็นที่ตะวันออกเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยเขามาหันหน้าเหมือนกับตัวเองเนี่ยนั่งหันหน้าไปทิศตะวันออกตลอดแต่จริงๆเป็นอย่างนั้นไหมดวงอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นทางนี้มันขึ้นทางนี้แต่มันสําคัญอย่างนี้มันอนเด็มทีละมาวัดพันเตาาเมื่อไหร่นะดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกทุกที แต่ถ้าอยู่วัดเจดีย์หลวงอะนะตึกเที่แถวแถวสาราสวดศพแถวตึกห้าอะไรนะการจนาพิเศษนะอันนั้นดวงอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันออกเ อ, อว่าเป็นอย่างนั้นแต่อยู่ตรงนี้มันอีกอย่างเลยอยู่วัดอุโมงก็เข้าใจผิดแต่อยู่ที่บ้านผู้การท่านนั้นไม่ผิดนะ น, น, นึกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางนี้มันขึ้นทางนี้แต่อยู่ที่อื่นนะมาถ้านั่งตรงนี้บอกดวงอาทิตย์ขึ้นทางนี้แล้วจริงๆมันจริงอย่างนั้นหรือเปล่าทิฏมันเป็นลักษณะนั้นแหละมันสําคัญผิดไป มันเข้าใจพลาดเคลื่อนจริงๆอ่ะดวงอาทิตย์มันก็ขึ้นอยู่อย่างนี้ของมันอ่ะของอธรรมมาจะสำคัญวันละพันครั้งแสนครั้งก็ช่างเถอะยังไงมันก็ขึ้นทางนี้อยู่ดีตัวทิฏฐิจะเป็นลักษณะนั้นเลยมันคิดไปเองอ่ะมันเป็นความสําคัญเป็นเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งเท่านั้นเองไอความสําคัญอันนี้เกิดด้วยปัจจัยทเทธารมาหลงทิฏฐ์ไมจึงหลงทิฏเพราะวันนั้นเนี่ยนั่งรถมาจากลําปางจากลำปางมาเชียงใหม่เนี่ยทิฏฐิเนี่ยรู้ละ แต่พอมาจะเข้าตัวเมืองแล้วเขาขับรถถนนเลี่ยงเมืองแล้วอ้อมไปวัดอุโมงเนี่ยวนซ้ายวนขวาไปมานี่หลงเลยพอไปอยู่วัดอุโมงเนี่ยหลงทิศพอหลงทิศปั๊บเนี่ยเชาวมาก็วันหลังผู้การก็นิมนต์มาที่นี่นนก็หลงทิศใหญ่เลยวันนั้นไปที่ไหนวันนั้นหลงทิศหมดอก็เป็นอยู่อย่างนี้เลยเชียงใหม่เลยหลงทิศครึ่งหนึ่งไม่หลงครึ่งหนึ่งก็ยังงงอยู่ทุกวันเนี่ยนะเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นสองแห่งเลยแล้วทําให้เห็นเออไอวิปลาดนี่มันเป็นลักษณะนี้เอง ทิฐิก็จะเป็นในลักษณะนี้สิ่งที่เราสําคัญเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะหน่อยอยอกตัวอย่างเช่นนะอย่างอย่างทิฏฐิวิปลาดเนี่ยสำคัญว่ามันเป็นอัตตาเนี่ยเต็เป็นจริงๆหรือเปล่าไอ้อัตตาที่ว่ามันคืออะไรมันคิดเอาเฉยๆอย่างอย่างสําคัญว่าเออนี่เป็นสัตว์จริงๆเลยนะสำคัญสมมติว่ามีนายขอเนี่ยเป็นสัตว์จริงๆเลยเอาความเป็นนายขอเขาอยู่ตรงไหนเอาคำเป็นสัตว์ของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหน แล้วก็ถอนผมออกมาทุกเส้นทุกเส้นทุกเส้นทุกเส้ น, เ, ส น, เ, ส น, เ, สนเลยนะหาเจอไม่เจอตลกหนังเนื้อเป็นกระดูกเยื่อในกระดูกหาห า, ห า, หาไม่มีสักอย่างอยู่ในนั้นอ่ะนะก็ตอนแรกเนี่ยนะเราเห็นว่าเป็นโคใช่ไหมเป็นโคคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดเขาก็ฆ่าโคกลางถนนสี่แยกเนี่ยนะตอนที่วัว ม, มันล้มตายเนี่ยใครก็ว่าโคหมดเลยทีนี้สักพักเขาก็แล่น ถลอกหนังแล้วก็แล่เนื้อออกมาในช่วงนั้นก็ยังว่าโคแต่พอเอาเนื้อเนี่ยไปวางแต่ละแห่งแต่ละแห่งไอ้เนื้อนี่ไม่มีโคอยู่ในนั้นเลยนะแยกไปหาโคไม่เจอเลยแต่ในความเป็นโคเป็นต้นก็เพราะอาศัยองค์ทัพอวัยวะต่างๆมาประชุมกันนะมีวิบากกรรมรมาชุบมามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างนั้นอ่ะเรียกว่าสมมุติกันว่าสัตว์จริงๆนะ่ะมันมีในนั้นเนี่ยคือกรรมวิ อ, อคือรูป รูปนี้มีสมุธฐานสี่อย่างในในที่เรียกว่าคนทั้งหลายเนี่ยมีสมุธฐานสี่รูปส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลรูปส่วนหนึ่งเกิดจากเจิตรูปส่วนหนึ่งเกิดจากอุตุส่วนหนึ่งเกิดจากอาหารนะมันไม่ได้มีสัตว์อยู่ในนั้นหรอกมันคือรูปเท่านั้นแหละแล้วบอกว่าจิตเป็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลจิตก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอีกเพราะจิตแบ่งออกเป็นชาติแล้วมีสี่ชาติกุศลอกุศลวิบากกิริยา เจตสิกที่ประกอบก็แล้วแต่จิตจิตเป็นกุศลเจตสิกที่ประกอบก็เป็นกุศลด้วยถ้าจิตเป็นอกุศลเจตสิกที่ประกอบก็เป็นอกุศลด้วยเพรานั้นไม่มีสัตว์เลยแต่เป็นไปตามปัจจัยพวกที่มิจฉาทิฏฐิหรือทิฐิวิปลาสําคัญว่านั่นเป็นอัตตาเข้าไปสําคัญผิดนั้นเองนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าให้เห็นตามท่านให้เห็นตามความเป็นจริงโดยปัญญาอันชอบว่านั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราให้ตามเห็นอย่างนี้นั่นคือข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานะข้อปฏิบัติคือสัมมาทิฐิแต่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรานี่ให้เห็นเป็นยังไงให้เห็นว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณนี๊อาศัยปัจจัยประชมขึ้นมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็หมดไปได้ปัจจัยก็เกิดอีกก็เป็นลักษณะ น, นี้ พอได้ป <st Aquí> ัจจ so, so, ัยเขาก็เกิดอีกเพราะฉะนั้นรูปจึงไม่เที่ยงรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงไหมสัญญาเที่ยงไหมสังขารเที่ยงไหมวิญญาณเที่ยงไหมอันนั้นรูปเหล่านี้เนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์นั้นรูปกว่าเป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอนัตตาเพราะเป็นไปตามปัจจัยนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นแวเ้ลห แต่ถ้าตามธรรมชาติของเขาก็ก็เป็นอนัตตามหมดนั่นแหละแต่ที่พระองค์สแสดงเนี่ยเพื่อให้สาวกเนี่ยรอบรู้นะพเพื่อให้สาวกปริญญาในสิ่งเหล่านี้เองนะปริญญาในรูปนามขันท่านี่แหละว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงแต่ในความไม่เที่ยงบางอย่างเนี่ยนะเป็นบุญก็มีไอตัวไม่เที่ยงนะบางอย่างเป็นบุญไม่เที่ยงบางอย่างเป็นบาปไม่เที่ยงบางอย่างเป็นวิบากไม่เที่ยงบางอย่างเป็นกิริยาใช่ไหม กังวนไปังวมาอย่นั้นแหละเนั้นทฐิจริงไม่มีเอ่อไม่ใช่อัตราจริงไม่มีแต่ไ อ, อความคิดอันนั้นมีนะเจตสิกอันนั้นที่เจือเนี่ยมีอยู่แล้วก็ความคิดอันนั้นว่ามีเนี่ยนะก็ไม่ใช่มีบ่อยนะปุถุชนนี่นะครับบางท่านคิดว่าเอ๊มีอัตราตลอดเวลาอันที่จริงเนี่ยเราเคยคิดไหมครับว่าเราเวลาจะทำะไรเนี่ย เราเราเนี่ยเราเป็นคนทําแน่นอนไม่ค่อยมีเคยคิดย้าอย่างนั้นทักทิ้งนะ<ช>ไม่ค่อยมีนะ<ช>ก็ทําก็ตั้งใจก็ตั้งใจนี่แหละถ้าที่ที่มันเป็นอะนะไอ้อัตตาเนี่ยจะเกิดขึ้นจากไม่ได้สดับเนี่ยนะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่มีวินัยของพระอริยะไม่ฉลาดในวินัยของพระอริยะไม่เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษอันนะข้อความเหล่านั้นเขาก็เลยสําคัญไปแต่ว่าคนส่วนหนึ่งที่ที่ทำก็ด้วยอํานาจความสําคัญนั่นแหละเป็น อุปนิสัยให้แต่อย่าลืมว่าอัตตาคือทิฐิเจตสิกทิฐิเจตสิกเกิดกับรูปเกิดกับจิตกี่ดวงเกิดกับจิตสี่ดวงเท่านั้นเองขณะที่โลภาพวิปยุทธเกิดทิฐิตัวนั้นก็ไม่เกิดโทสะเกิดทิฐิตัวนั้นก็ไม่เกิดโมหะเกิดทิฐิตัวนั้นก็ไม่เกิดอาเหตุกจิตเกิดทิฐิตัวนั้นก็ไม่เกิดมหากุศลเกิดทิฐิตัวนั้นก็ไม่เกิดนะชานจิตเกิด ไอ้ที่ถีเจตสิกก็ไม่เกิดนะอริยมรรคกิตเกิดเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นก็ไม่เกิดอีกแต่ถ้าได้ปัจจัยถ้าใครยังไม่ละเชื้อได้ปัจจัยเพราะมันเกิดนะนั่นก็เสียงตบมือเนี่ยได้ปัจจัยเสียงก็ดังคําพูดที่พูดออกไปได้ปัจจัยมันก็ดังเพราะยังละไม่ได้เรียกว่าอนุสัยเพราะเป็นกิเลสที่มีกําลังเพราะยังละไม่ได้ยังละไม่ได้ได้ปัจจัยมันก็เกิดแต่ทิ่ถีไม่ได้เกิดตลอดเวลา นะขณะที่ทวีปัญจะเกิดที่ถิไม่เกิดนะเราก็มาค่อยๆแบ่งไปเพราในอารมณ์หนึ่งอารมณ์นั้นในการศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยต้องมันมันมันพิจารณาให้มากๆจริงๆเลยท่านจึงใช้คําว่าอนุปสัสสีเป็นต้นั้นะให้ตามเห็นหรือเป็นอนุปัสนาเป็นอนุปสัสสีอนุปัสสีหมายถึงตัวบุคคลที่ตามเห็นเป็นตามเห็นเป็นอัธยาศัยเลยตามเห็นเป็นปกติเลย และอนุปัสสนาก็คือปัญญาที่ตามเห็นมากๆตามเห็นว่ายังไงตามเห็นในความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นการเห็นของเราเนี่ยจิตอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ตามเห็นนะนะแต่ว่าให้เราเห็นเองนี่คงยากงั้นเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หน่อยนะทสอนว่าไงอ่ะคือเห็นหนังหน้าไฟนะคือเห็นว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสิ่งอันดับแรกเลยนะที่ ที่ควรที่จะต้องตามเห็นเนทเพราะว่ามันเป็นหนังหน้าไฟแล้วมันเป็นพื้นฐานมันเป็นอะไรที่จะตามมาอีกหลายอย่างเนทาพราะในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็มาแยกเลยว่าถ้าจิตเห็นเป็นกุศลนะพูดถึงการเห็นเนี่ยนะสมมุติถ้าหากว่าเห็นเสื้ออย่างเงี้ยมันเป็นกุศลไหมเอาบุญกิริยาวัตถุสิบมามาปรารภมีไหมบุญกิริยาวัตถุสิบเป็นไปกระทานมีไหมคือคือในขณะนั้นนที่เห็นแว๊ดนั่นน่ะ เป็นไปกับทานมีไหมเป็นไปกับศีลมีไหมศีลคืออะไรเจตนาศีนเจตสิกศีนสังวรศีนอวีติกามศีลมีไหมสมถะสี่สิบ น, นี่มีไหมในนั้นนะมิปัสนาขันธาตุอายตนะใส่ใจแบบนั้นหรือเปล่านะแล้วก็เป็นบุญกิริยาวัตถุสิบ ป, ประเภทฟังทำประเภทเป็นต้นนะในหนึ่งอารมณ์นะเอาอารมณ์เดียว่มาตั้งแล้วก็ปรารภตามนั้นไปเป็นไปตามนั้นไหมถ้าไม่เป็นไปตามบุญกิริยาวัตถุสิบก็มาวิจัยว่า นี่สุสวยหรือไม่สวยนะอันนี้คือถ้าสวยบับสุภานิมิตรู้เลยว่าชาวนะเป็นโลภะสุภานิมิตชาวนะเป็นโลภะแล้วโลภะนั้นมีทิฏฐิเจอด้วยไหมสําคัญว่าในเสื้อนี่นะมันมีสัตว์อยู่ในนั้นนะมันใส่เสื้อใส่ไม่ดีในเสื้อนั้นมีวิญญาณสิงนะไอ้วิญญาณที่อยู่ในเสื้อนีนออนนนน่เป็นอัตตาหรือเสื้อนี่มันมีใจนะมันมันมันเป็นอัตตาอยู่ในนั้นนะสำคัญอย่างนั้นไนะหมไม่สำคัญก็ว่าเส้นใยๆมาทอๆกันเท่านั้นเอง ใชถ้าทิฐิเกิดก็จะปารบลักษณะนั้นแต่ถ้าทิฏฐิไม่เกิดก็โลภวิปยุทธโอ้สวยนะราคาเท่าไร่ซื้อที่ไหนเนี่ยช่างท่านไหนทำอย่างเงี้ยก็จะคิดไปเรื่อยโลภวิปยุทธอาสังขาริกหรือสังขาริกก็ไล่ไปแต่ถ้าไม่สวยอะโทสะทําไมจึงโทสะเพราะมีคนบอกว่าอันนี้มันเสื้ อ, อ น, นี้ใส่ไม่ดีเป็นต้นปฏิฆานิมิตก็เกิดไม่พิจารณาก็เป็นอุเบกขานิมิตในอารมณ์เดียวก็หมั่นวิจัยความคิดตามคําสอน นะเราไม่ต้องว่าเอาเองสักอย่างเลยผมไม่ทราบว่าถ้าท่านเห็นอย่างผมแล้วท่านจะคิดยังไงนะคือจิตเป็นกุศลหรืออกุศลหรือจิตเป็นอะไรไม่รู้นะลองคิดดูนะก็มีมีคนรู้จักกันนะนะผมขายบ้านนี้ก็าไปแล้วก็เป็นชาวต่างประเทศเขาก็ไปตกแต่งซัอย่างเยี่ยมเลยแล้วแล้วเขาก็พาผมเขาไปดูนะ ไปดูถึงห้องนอนเลยเพราะเขาชอบมากเขาเป็นคนที่ศิละปะเป็นคนที่รักศิละปะมากเขาตกแต่งบ้านอย่างสวยหรูมากเลยนะแล้วก็เข้าไปดูทุกซอกทุกมุมเลยนะถึงในห้องนอนเขานะพอเปิดไปที่ห้องหนึ่งนะผมเห็นรองเท้าเขานะท่านเดาซิครับว่ามีกี่คู่ผู้ชายนะรองเท้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะ้ำมันวับทั้งนั้นเลยแล้วก็รองเท้าต่างประเทศทั้งนั้นเลย ท่านคงเดาไม่ออกแล้วครับมีสี่สิบสองคู่ครับตั้งเรียงเป็นชั้นๆๆๆนี้เลยนะยังร้านรองเท้าเลยนะสี่สิบสองคู่นะแล้วก็ไปเปิดดูตู้เสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะถามเขาว่ามีเท่าไหร่ท่านเชื่อไหมว่าเป็นร้อยชุดประมาณสองร้อยชุด mm hmm. นะแต่ผมไม่ได้ดูหมดนะเขาบอกเท่านั้นก็นั mm ่นแหละ ถ้าท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้สึกยังไงครับท่านมีความคิดยังไงจึงจะเป็นกุศลห ร, รือเป็นอกุศลลองคิดดูดีครับนะถ้าท่านคิดท่านท่านคิดว่าเป็นอกุศลท่านจะคิดยังไงครับเพราะส่วนใหญ่เป็นอกุศลหมดใช่ไหมครับคิดยังไงครับอิจฉาเข้าใช่ไหมครับก็ไม่ถึงขน่าแล้วไม่อยากมีขนาดนั้นใช่ไหมฮะแต่ผมรู้สึกว่าผม ผมผมรู้สึกผมผมเห็น ส, สภาพจิตของเขาผมเห็นสภาพจิตของเขาว่าเขาเป็นผูท้ที่เป็นผู้ที่ติดในสิ่งเหล่านี้มากรองเท้าสี่สิบสองคู่ท่านเชื่อไหมบางคู่จะไม่ได้เคยใช้ตลอดชีวิตผมพูดได้เลยเพราะปกติเราเนี่ยเรามีเสื้อผ้านะฮะเรามีเครื่องใช้เนี่ยเราจะใช้ของที่เราชอบมักจะใส่ซ้าประจำใช่ไหม ไอ้คู่ไหนไอ้ชุดไหนแขวนอยู่ก็คงแขวนอยู่ตลอดนั่นแหละนะจนกระทั่งนึกมาได้เอ๊ไอ้นี่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ทําไมเราจึงไม่ให้คนอื่นเข้าบ้างนะแล้วก็เออควักออกมานะออกมาดูทียงแล้วก็ยังเข้าเออกเอยู่นะเอ๊ไอันนี้มันจะใช้มันนานเมื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยมเอาไปทิ้งไปแขวนใหม่ใช่ไหมเออนี่นะเพราะฉะนั้นเราจะตึกยังไงจึงจะเป็นกุศลนี่น่าสนใจนะเพราะมันหนังนาไฟนะเรื่องอะไรที่เป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก คือพอเรารู้ว่าวิถีจิตส่วนใหญ่แล้วเป็นไปกับอกุศลอย่างนี้เข้าเนี่ยนะศึกษานใช้คาว่าศึกษานะีศึกษาในาศาสนานี้แหละาศาสนานี้ว่าสอนว่าเมื่อเห็นเนี่ยอสติศีและสิกขาจะเกิดได้อย่างไรใช่ไม้มเพราะคนบางคนเนี่ยเห็นเสื้อตัวเดียวกันเนี่ยนะปานาติบาตเนี่ยอาจจะมีก็ได้เพราะเห็นเสืออ้อ น, นั้น นะเช่นจะฆ่าเจ้าของไปต้นเพื่อที่จะชิงเสื้อนะบางคนนี้คิดอธินนาทานต่อไปบางคนนี้เห็นเสื้อแบบนั้นจะเลยไปหาการเมสุมิจชาจาบางคนนี้เห็นแล้วจะต่อด้วยมุสาวาตบางคนเห็นแล้วต่อด้วยสุราเมรยะยนะัจะต่อด้วยผิดศีลผิดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพอเราเห็นอารมณ์นั้นเราเชื่อมไปหาผิดศีลผิดธรรมอย่างนั้นไหมถ้าไม่เป็นก็แสดงว่าปาติโมกเราได้แนละ้ว ปลารบที่จะไม่ให้มันเป็นแบบนั้นเลยไปเจออารมณ์ทุกอารมณ์ทํายังไงจะได้ไม่ล่วงศีลทั้ง5เนี่ยนะสมาทานลักษณะนี้นั่นเรียกว่ามีปาติโมคาสังวรศีลในอารมณ์ในทุกๆอารมณ์ปรารบเนี่ยทำยังไงจะไม่ให้เชื่อมหมายการล่วงอกุศลธรรมซึ่งมันเป็นกิเลส ท, ที่น่ารังเกียจ5ตัวเนี่ยนะเพราะเรารู้ว่าของเรายังไม่ได้เป็นพระริยเจ้าเมื่อไม่เป็นพระริยเจ้าถ้าได้ปัจจัยมันเกิดนะใช่ไหม ได้ปัจจัยปานาติบาตก็จะเกิดได้ปัจจัยอาธินาทานก็จะเกิดนะได้ปัจจัยการเมสุมิฉาจาร์มันก็จะเกิดได้ปัจจัยมุสาวาตก็จะเกิดได้ปัจจัยสุราก็จะได้ก็จะเกิดนะถ้าได้ปัจจัยนี้มันเกิดจริงๆเลยนะทุจริตเ่านั้นทีนี้่ศีลเราไม่ล่วงใช่ไหมเพราะเราปรารบสมาทานที่จะไม่ให้มันล่วงห้าข้อนั้นนี้ต่อไปอินทรีย์สังวรนี่เป็นไปได้ยังไงเห็นขึ้น นะถ้าอินทรีย์สังวรก็คือเห็นเสื้อผ้าไปปั๊บก็นะต่อด้วยปัจจยะเลยนะคิดยังไงให้เป็นกุศลเออธรรมชาติของเสื้อเนี่ยเพียงเพื่ออะไรหน้าหนาวนี่เห็นชาติเลยนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวถ้าใส่หน้าร้อนก็เพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดสัมผัสที่เกิดจากสัตว์เลือล้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่น่ารังเกียจน่าละอาย แล้วก็การปกปิดก็มีประโยชน์อยู่เท่านี้นี่คือศาสรกาศสามประชัญญะการที่เราคิดไปตามนั้นในขณะที่เห็นเสื้อนั้นเนี่ยนะอภิชามจะไม่เกิดโทมนัท จ, จะไม่เกิดในขณะนั้นนั้นกุศลจิตจะเกิดแทนเพราะขณะนั้นได้รับปัจจะญาสานิสีตสินก็เท่ากับสังวรในขณะนั้นเลยอาศัยพื้นฐานของการสังวปรปลาลบว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยได้มาโดยชอบทำไหมปลารบลักษณะนี้ก็คืออะไร อาชีวะของเราเนี่ยได้ไหมเสื้อผ้าปัจจัยสี่เนี่ยได้มาโดยชอบทำไมมนั่นคือปัจจัยสันนิสิตสิน อ, อาชีวะปาริสุทธิสินทีนี้อาศัยเสื้ออันเดียวนั่นเนี่ยนะเราปลารบว่าเออหน้าหนาวอย่างนี้ขอให้ทุกคนมีเสื้อใส่อุ่นๆ น, นะมีความสุขกันหมดเลยเนะ้ออันนั้นเป็นไเมตตาต่อไปได้ก็จะต่อสมถะไม่ยากนะ หรือว่าจะต่อกรรมฐาน้คนที่มีเสื้อดีนะมุทิตาไปกับคนอื่นต่อไปก็ได้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะหรือว่าอาจจะเห็นเสื้อปั๊บกรุณาก็จะเกิดเลยโอ้คนที่ไม่ได้มีทายเนี่ยนะมันหนาวเน็บคนก็ถึงกับไปผิงไฟไฟก็ไหม้ตรดเยื่อกระดูกยัไงไงไฟไหม้ตายคาไฟก็มนะีเพราะความหนาวเนี่ยเป็นโทษของสังสารวัตสัตว์ทั้งหลายเนี่ก็น่าสงสารแบบ น, นั้น หรือจะต่อเชื่อมโดยกรรมมศกตาก็ได้ดดดดชีวิตสังสารวัตรของเรายัางเที่ยวไปอีกยาวนานนะเพราะเรายัางละเชื้อคือตันหาเชื้อคือวิชาที่นำเกิดไม่ได้นะเมื่อ ย, ยังเกิดไม่ได้เนี่ยถ้าเราไปเกิดในที่แต่ละแห่งเนี่ยเราจะมีเสื้อแบบนี้ใส่อีกไมนะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ในปัจจันตชนบทจะมีเครื่องนุ่งหมเหล่านี้ใช้ไห้ยามหนาวจะได้มีเสื้อผ้าเหล่านี้ใช้อีกไหมที่จะเป็น เป็นเครื่องปกปิดกายเป็นสเสบียงทางต่อไปข้างหน้านะอันนั้นก็กรรมสกาก็จะเกิดพิจารณาแต่ถ้าปัญญามันเกิดแรงกว่านั้นตีระณนะปริญญาก็จะเริ่มใคร่ครวรพวกนี้ก็คือเพื่ออบเพื่อปกปิดวิบากและกรรมชรุปเท่านั้นเองนะเป็นอารมณ์ของทวิปัญจะเสื้อตัวหนึ่งทางตาก็เรียกว่าสนะีถ้าหอมและมีเสียงเป็นต้นก็เรียกว่าเสียง นะก็เป็นอารมณ์ของทวินั่นเองทวิปัญจะอามาดมก็มีกลิ่นแต่ก็ไม่ถึงไครเรียมังเนาะแต่ก็พอได้รสเหมือนกันนะรถของการใช้สายเขาวางนะัันหอมก็อบอุ่นก็ได้โภภาพถัพะแล้วในตัวเสื้อก็มีธรรมลมมีโอชาอยู่ในนั้นด้วยมีอาโปอยู่ในนั้นด้วยอันนั้นก็เป็นธรรมรมใช่ม า, ายตากับสีเกิดจากขวิญญาณนะสายเสือ้อนั่น สาอย่างนั้นก็ทําให้เกิดภาษะเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดเจตนาเกิดวิตกเกิดวิจารณ์อาศัยการเห็นนั่นแหละเป็นปัจจัยนะตาเที่ยงไหมเสื้อนี้เที่ยงไหมจิตเห็นเที่ยงไหมภาษะเที่ยงไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหมแล้วก็นิบถึงคําสอนแต่ละอย่างที่พระองค์บอกว่าเออพึงเห็นรูปประคันเหมือนกับโรงพยาบาลอย่างเงี้ยหือว่าเหมือน เห็นรูปประคันเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเหมือนกับเพชฌฆาตก็ได้หรือเหมือนเห็นขันห้าเหล่านี้เนี่ยนะรูปประคันเหมือนกับเพชฌฆาตทั้งห้าเป็นผู้ฆ่าเห็นตาเป็นเหมือนกับบ้านร้างเห็นสีเหมือนกับโจรนี่มาปล้นจากขูวิญญาณที่เห็นวิถีจิตความนึกคิดเหล่านี้ก็เหมือนกับมายากลเหมือนกับหลอกลวงนะพิจารณาต่อไปทํำยังไงที่จะเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกําหนัด ก็จะได้ที่สุดสถทีไม่ต้องหุ้งไม่ต้องห่มเนี่แหละผู้ที่เป็นพระเรียเจ้าก็ที่สุดแห่งการนุ่งการห่มในพบต่อต่อไปนั่นแหละใช่ไหมวันนี้วันนี้ตอนเทียเท่ยงๆนะเออลึกและเลึกขึ้นได้นิดๆถึงว่าอินทรีสังวรเนี่ยโอไปหมดเลย คือพอะปกติจะเลี้ยงเลี้ยงไม่ฟังเพลงดู ล, ละครอะไรเงี้ยนะแต่พอวันนี้เขาเลี้ยงไปฟังเพลงแล้วก็ทานข้าวโอ้โหมันมาเลยโลภะมาทันทีได้เยอะดีเลยไปา ย, ยาวเลยมีการขอเพลงขอเพลิงไปเลย อีนทรสังวรไปหมดคือการศึกษาพระธรรมนั้นต้องมองชีวิตออกทุกแง่มุมเลยนะถ้าเรามองชีวิตไม่ได้ทุกแง่มุมเนี่ยนะไม่เบื่อหรอกยังไงก็ไม่เบื่อพระองค์บอกว่าผู้ใดยังยินดีในทุกผู้นั้นจะไม่พ้นจากทุกขังั้นอารมณ์ทุกอารมณ์นั้นต้องได้รับการพิจารณาทั้งหมดถ้าเราพิจารณาอ่อนนะนะ เขาเรียกว่าสิกขาไม่เพียงพอนะไม่จบยังไงก็ไม่จบพระอาหารนี่เขาเรียกว่าผู้ที่ทํากิจจบแล้วกระตังกรณียังว่ากระตังก็คือแล้วกรณีก็คือกิจนะทั้งกิจทั้งหมดเนี่ยพระอาหารเนี่ยท่านทําเสร็จแล้วจบกิจแล้วนะกิจสิบหในอริยมรรคเนี่ยนะท่านเรียบร้อยหมดแล้วแต่ของเราได้กิจตะกิจได้ ย, ยังนะกิจของทุกขสัตริย์ปริญญากิจปริญญาสามนะเราเอาอารมณ์ตัวใดมาเป็น ยาตาปริญญาบ้างตีรณะปริญญา ป, ะห า, ะ, ปะหานะปริญญาได้เท่าไหรแนะ่แล้วนะแล้วปะหาตภ ก, กิจเนี่ยนะปะหานะเนี่ยปหานะเราประหานะอะไรบ้างแต่ทางข้ปะปหานี่ได้เท่าไหร่วิกข์ขมพระนะหานได้เท่าไหร่สมุดเฉทะเนี่ยนะหายเลยอ่อนเหลือเกินอย่างเงี้ยใช่ไหมสัตอิทธิ์ที่ควรทําให้แจ้งเนี่ยนะสัชิกาตับพระเนี่ยนะเราทําไปเท่าไหร่แล้ว พาเวต่พาพเนี่ยนะกุศลธรรมเราพอกคูนขนาดไหนถ้าพอกคูนอ่อนยังไงก็ไม่จบเมื่อไม่จบเนี่ยเกมเนี่ยยาวเขาวาองนั้นนลยแล้วก็พยายามมองในลักษณะนี้บ่อยๆตื่นตัวบ่อยๆนี่ถ้าเป็นในลักษณะนี้บ่อยๆปั๊บเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยมากขึ้นจริงๆเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องในสิ่งเหล่านี้ท่านรอบรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลย อ, ะอนะ ส่งเสริมศรัทธาเพื่อที่จะเจริญพุทธคุณมากขึ้นนะแล้วกําลังใจเราจะมีขึ้นอีกเป็นกองในการพิจารณาธรรมะแต่ละหมวดแต่ละหมวดช่วงไหนศรัทธาเราอ่อนนะก็ไม่เป็นไรเจริญพุทธคุณพักเดียวเดี๋ยวมีแรงพิจารณาต่อไปนะจะได้ปัจจัยคือคือศรัทธาอันที่จริงนะพูดถึงว่าเราจะเพิ่มศรัทธานะการเจริญพุทธคุณนี่นะฮะถ้าที่ประสบการณ์นะง่าย ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าพุทธคุณของคุณของพระพูทมีภาคมีมากซะจนเรียกว่าไม่ว่าจะตึกอะไรนะแล้วเราโยงไปถึงว่านี่เป็นพระคุณอะไรในสามอย่างจะกล่าวว่าเป็นพ่อบริสุทธิ์ที่คุณก็ได้จะเป็นพ่อมหาคุณาคุณก็ได้เพ่อปัญญาคุณเยอะแยะเลยทจริงไม่ยากนะถ้าเจริญพุทธานุสตินะ<ช>ว่าพระคุณท่าน<ๆ>เยอะจริงๆมากจริงๆ ถ้าเมื่อว่าจะตึกอะไรถ้าเราตึกธรรมะนะแล้วเราทะยงไปบอกเอนี่เป็นคุณประเภทไหนเราจะบอกได้เลยบางบางอย่างเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณใช่ไหมถ้าพูดพูดเรื่องกิเลสหมดเนี่ยนะเราบอกอะไรเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วพระองค์สอนเราทําให้เรารู้อย่างนี้ใช่ไหมนี่เป็นพระมหากรุณาคุณเราแล้วบางทีเป็นทั้งสองอย่างเลยนะครับหรือว่าถ้าหากว่าจะเป็นอะไรอ่ะ พระปัญญาคุณอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกคุณหนึ่งนะพระบริสุทธิ<า>์น ะ, ะ, ะแล้วก็อะไรนะพระกรุณาใช่ไหมฮะพระปัญญานี่ก็เยอะแยะอยู่แล้วคือในอในพุทธคุณนี่นะฮะไม่ว่าท่านจะตรึกพระธรรมบทไหนนะสมมติถ้าท่านจําได้นะพระสูตรใดนี่นะถ้าลองมาตรึกดูอีกครับนะแล้วท่านลองนึกดูทีครั บ, นะรบนี่คําสอนนี้ของใครเนี่ยเนี่ยนะ แล้วเราได้ประโยชน์อะไรนี่นะเพราะคุณ น, นี่มจริง<ช>ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าลองลองลองหันตึก<ช>ดูนะลองไปนั่งลองตึกดูนะแล้วถ้านอนตึกนะก็ไม่ค่อยดีนะ <c oughs> ก็ไม่เชิงหลับนะแต่ตึก ก, ก็มันก็บางทีถ้าไม่หลับนะก็ฟุ้งซ่านนะก็เด<ช>ี้ก็จะแวะไปแวะมาะแต่ถ้านั่งตึกเป็นเรื่องเป็นราวนะเอะดูจะตึกได้ยาวท่านพระผู้มีพระภาคทรงสอนเจ้ามหานามะเนี่ยนะสักยะเนี่ยซึ่งเป็นอริยาสาวกด้วยซ้ำให้เจริญพุทธคุณ ให้เจริญพุทธานุสติทำมานุสติหรือถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้เจริญพุทธานุสติเจริญทำมานุสติก็ได้ในสิ่งเนี่ยคาสอนว่ายังไงบ้างสมมุติถ้าชอบสติปัฏฐานเนี่ยนะตาเห็นสีเนี่ยมันจะเป็นสติปัฏฐานในข้อไหนบ้างอ๋อเป็นกายานุปัสนาได้ไหมใช่ไหมเป็นได้ไหมอ่าไดเพึงทําสัมปชัญญะในขณะที่แลเหลียวเนี่ยมีไหม กายานุปัฏนานนะและเหลียวสัญญมปัชฌยะสี่มีไหมนะเพราะว่าสติปทานเฉพาะสัมปัชฌยะคืออาสามัมโมหะสัมปัชฌยะมีอะไรบ้างหรือถ้าจะเอาจิตตานุปัสนาเนี่ยนะเมื่อเห็นอย่างนี้จิตมีราคาไหมหรือจิตปราศจากราคะเห็นเนี่ยจิตมีโทสะไหมหรือปราศจากโทสะนะหรือเห็นแล้วจิตมีโมหะไหมหรือปราศจากโมหะและนี่เป็นภายในนะภายนอกคนอื่นเห็นเนี่ยจิตเขามีราคาไหม ถ้าคนอื่นเขาเห็นจะเป็นราค้าได้ไหมเป็นโทสะไหมเพราะพระองค์สอนให้พิจารณาทั้งภายในและภายนอกและเห็นแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นน น, นสีนี้เป็นสีที่ดีถ้าสีที่ดีก็เป็นปัจจัยให้สุขเวทนาเกิดชาวนะส่วนใหญ่ก็เป็นสุขเวทนาอันนั้นก็เป็นต่อด้วยเวทนานุปัสสนาก็ไดนะ้ต่อด้วยธรรมานุปัสสนาก็ได้ใช่ไหมเห็นแล้วการมฉันท่าเกิดในจิตมีไหม ถ้าไม่เกิดเนี่ยการมาฉันท่าจะเกิดได้ยังไงถ้ามันเกิดแล้วจะละได้ยังไงถ้าละแล้วถ้าละแล้วเนี่ยจะละได้ที่สุดที่ไห น, นหรือว่า พ, e พ, พึงรู้จักตาพึงรู้จักสีพึงรู้จากสังโยชน์ทั้งสิบที่เกิดขึ้นอาศัยตากระสีเนี่ยสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะละด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยหรือจะเอาสัจจะบัพภาก็ได้เห็นไหม ชาติปิทุกขานนี่มีชาติอยู่ไหมในนี้ชราปีตุกขามารณามปีตุกขังสโสกกะปริเทวทุกขโทมนานัตอุปายาตมีไหมโดยย่อนี่คืออุปาทานขันห้าคือตัวทุกมีไหมเห็นไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีไหมนั่นแหละก็ปลาลบไปหรือไม่จะต่ออีกสมุทัยศาสตร์ก็ได้อะไรเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกโลภะหรือตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นั่นแหละสีเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่สี ถ้าจะต่อด้วยนิโรธศาสตร์ก็บุคคลเมื่อจะละตัณหาก็ละที่สีนั่นแหละละได้ยังไงนะประหานะเข้ามาแต่ทางค่าประานะได้ยังไงปะหะานะแต่ละข้อก็เตรึกไปในเรื่องนั้นมีให้ทาเยอะยะถ้าศึกษาในศาสนานี้นะโอ้คำสอนมีจนเราอันสิ่งเหล่านั้นเป็นสวากขาโตพระคาวตาธรรมโมพระธรรมตรัสไ่้ดีแล้วนั่นคือธรรมคุณของเราอา น, นะ สวากขาโตพระค w ตาธ h a โมตัดไว้ดีแล้วถ้าผู้ที่ปฏิบัติเหล่านี้ตามสมควรจริงๆจะเป็นสันทิทิโกพวกสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกธรรมคุณพวกนั้นนะเป็นโลกุตระอย่างเดียวนะสวากขาโตเนี่ยปริยัติเข้ามาด้วยที่เหลือบทที่เหลือส่วนใหญ่แล้วเป็นโลกุตระอย่างเดียวสุปฏิปันโนพระค w o โตถ้าเจริญสังฆ ค, คุณเนี่ยนะภาษาดิบุตรเห็นอย่างเงี้ยท่านคิดยังไง นะที่ว่าภาษาริบุตรมีปัญญามากเหลือเกินเนี่ยภาษาริบุตรท่านมีปัญญายังไงเมื่อเห็นอันนี้ขึ้นนะถ้ามหากาจยานะเนี่ยทำธรรมะให้พิสดารเป็นยังไงพ้ามันตานีบุตรถ้าอานนท่า น, ท, านทรงจำเนี่ยสังขานุสติก็จะเข้ามาใช่ไหมหรือจาคานุสติเคยให้หนังสืออย่างนี้ไว้ไหมนะเป็นต้นนะก็จะเป็นจาราุสตินะศีลานุสติจังเกิดมาไม่เคยลักของประเภทนี้เลย โอ้ศีลเรานี่บริสุทธิ์นั่นก็เป็นศีลานุสติเทวดาเขาคิดยังไงเมื่อเขาเห็นเนี่ยเทวดามีหิริโอต ป, ปะเป็นต้นเราก็มีคุณธรรมแบบนั้นก็เป็นเทวดานุสติจะต่ออะไรอ่ะก็ไปได้หมดอ่ะเช่ไหะถ้าศึกษาให้เข้าใจนะแล้วจะไม่จนเลยในเรื่องเดียวรัพนทรคือสุตตะนั้นเป็นอริย ร, รัพในธรรมวินัยนีฮ้ในธรรมวินัยนี้มากไปด้วยรับตณัณนะธรรมวินัยนี้เป็นที่ที่ ที่อยู่แห่งรัตนะมากมายนะสติรัตนะคือสติปฐานสัมมาปธานอิทิบาทอินทรีพระพชทธชงอริยมรตมีองค์8มีรัตนะมากมายมหาศาลนะที่ที่เราถ้ามีศรัทธาที่จะค้นคว้าศึกษานะถ้ามีศรัทธาจริงๆก็ได้วันนี้ได้ความรู้อย่างคือว่าในบรรดา <c oughs> มหาสีปธานสีนี่กว้างขวางอย่างนั้นจริงๆใช่ค่นะชื่อว่ามหาจริงๆ เนะี่ยว่าแค่เห็นหนังสือแล้วก็จะเป็นกายาก็ได้เวทนาจิตตาธรรมมาได้ทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าการพิจาณาอันนั้นเนี่ยมีวัตถุประสง<ช><ช>ค์ใช่ไหมครับถ้าจะเป็นมัสติปฐานแสดงว่าต้องมีวัตถุประสงค์อย่างน้อยที่สุดก็มีอ่สูงสุดคือเพื่อที่ต้องการที่จะตรัสรู้อริยสัจตามมนกันเถอะใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะไม่ว่าไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะทำไม่วอะไรถ้าหากว่าเป็นการตรึกแบบนี้นะครับโดยที่ต้องการที่จะรู้อริยสัจสีนี่ก็เป็นเป็นวิปัสนาหมดทีครับคือจะเป็นวิปัสนาหรือไม่นะก็อยู่ที่ว่าคือวิปัสนาเราก็ต้องมาดูว่าระดับไหนด้วยครัถ้าวิปัสนาเนี่ยน ะ, ะถ้าใช้คําว่าวิปัสนาส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่อนิจจานุปัสนาเป็นต้นนะ ตั้งแต่อนิจจาเมื่อตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะที่พบส่วนทั่วไปเลยก็คือตั้งแต่พังคยานะนั่นแหละจึงจะเรียกว่าอนุปัสสนาจริงๆแต่ถ้าธรรมดาเขาเรียกว่าถ้าพิจารณาเบื้องต้นเป็นอะสัมโมหสัมปชัญญะหรือเป็นประเภทยาตะประิญญาแต่หากว่าอะสัมโมหสัมปชัญญะเนี่ยถ้ายาตะประิญญาเนี่ยตามอภิธรรมัตสังขะก็เรียกว่าวิปัสนาด้วยแต่ถ้าในอัตถกถาทั่วไปจะไม่ค่อยใช้คําว่าวิปัสนา จะใช้คําว่าวิปัสนาต่อเมื่อพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไปแล้วนะจนพอก็คือตั้งแต่ตีรณ ะ, ะปริญญาไปแล้วจึงจะเรียกว่าวิปัสนาแต่ถ้าธรรมดาอย่างนี้ในคัมภีร์ทั่วไปท่านบอกว่าเป็นยาตะปริญญาอภิธรรมมัสังกะหะแนวนี้ท่านบอกว่าเป็นวิปัสนาถ้าในอัตถาส่วนหนึ่งท่านบอกวันนี้เป็นแต่ทางค่าทหารนะเป็นทิฏฐิวิสุทธิหรือจะเป็นกังขาวิตรณาวิสุทธิ เป็นไปชื่อไปตามนั้นไปแต่ถ้าวิปัสนาเลยสัต์ตรงๆแล้วส่วนใหญ่ในคัมภีร์จะใช้คําว่าเห็นแจ้งเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วถ้าตามคำพีทั่วไปนะเว้นอภิธรรมมัสังคหะนะแล้วก็ค่อยๆศึกษาต่อไปอีกว่าคําว่าวิปัสนา t h i กว้างขวางขนาดไหนแต่ก็ดูหลายแห่งมากแต่ในอัตถะฐาส่วนใหญ่แล้วถ้าพิจารณาเบื้องต้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอาศามมัมโหะสัมปชัญญะไปนะก็คือทิฏฐิวิสุทธินั่นเองหรือยาตะปริญญา สำหรับปริญญากิจนะครับก็พอเข้าใจนะครับคือเป็นเป็นเรื่องของการกำหนดเป็นการพิจารณาโดยรอบใช่ไหมฮะตอนนี้พอประหาตับพระกิจนี่ยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับคือถ้าหากว่าเราเห็นเนี่ยนะถ้าเห็นโดยยาตะปริญญาทิฏฐิวิสุทธิละอะไรละสกายทิฏฐิ ถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นเห็นตามสติปัฏฐานเลยนะเห็นเป็นอสัมโมหสัมปชัญญะเนี่ยขณะนั้นละส ก, กายติฐินี่ยก็คือปหาณกิจชั้นต้นเลยตะทางคะก็แสดงว่าเมื่อเร า, าเข้าใจาเราเข้าใจปริญญากิจเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าเราก็ต้องมีปหาตาภากิจด้วยครับถ้าหากว่าขณะที่ทํายาตัปริญญาเนี่ยนะทิทิวิสุทธิเกิดขึ้นจะละ ละกิเลสสาคัญว่าเป็นอัตตาถ้ารู้ปัจจัยก็จะละทิฐิที่ไม่มีเหตุหรือทิฐิที่มีเหตุไม่สม่ําเสมอนะถ้าหากว่าพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะตามสัมมสนะเนี่ยคล้ายครุ้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นด่างหัวฝีเป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการละความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเมื่อเห็นความเกิดก็ละอุเฉททิฐิเมื่อเห็นความเสื่อมก็ละสัตสตทิฐิ เมื่อเห็นโดยความเป็นภัยนะเรียกว่าเห็นโดยความเป็นของหน้ากลัวก็จะละความที่เราไม่ไม่เห็นความเป็นของหน่ากลัวเมื่อเห็นโดยความเป็นโทษก็จะละความสําคัญว่าไม่มีโทษเมื่อเห็นโดยความเป็นหน้าเบื่อหน่ายก็จะนะเมื่อเห็นเบื่อหน่ายก็จะละความเพลิดเพลินมันก็จะละไปตามนั้นตามแต่สมควรแก่ปริญญานั้นๆที่ที่ความรู้ความสามารถในการพิจารณาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ท่านคงจะต้องมาวาดเป็นเรื่องนี้เฉพาะ เพราะว่าว่าบ่อยอยู่แล้วคือไม่ใช่ว่าว่าแต่ละครั้งแล้วเราจะเข้าใจนะเพราะว่าถ้าเราอ่อนในการเอาไปตรึกเรื่องนั้นเนี่ยตอนฟังก็อพอได้แล้วพอเลิกก็เลิกหมดงั้นวันหลังก็มาใหม่พูดไปก็เหมือนรู้จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่นะคล้ายคล้ายคลยับคล้ายคลยับปลานั้นเขาเรียกว่าแสดงว่าโยนิโสมนัิการเราอ่อนคือเอาคาสอนนั้นนั้นมาตรึกอ่อน เมื่อโยนิโสมณัติการอ่อนทำมานุธรรมะปฏิปฏิเราก็ไม่ได้มันก็จะตกไปเรื่อยๆแต่ในชั้นต้นเลยที่ที่มีปัญหามากเราไม่สามารถทรงจําคํานั้นได้เมื่อไม่จําไม่ได้เนี่ยนะอย่าว่าธรรมะเลยยมยังนึกเลยสมัยเด็กๆเนี่ยนะพ่อใช้ให้ไปซื้อของอะ่ะทําไปทํามาไอ้สตังที่ไปเราก็หยอดเหรียญเล่นไปเรื่อยเรื่อยเรือยเฮ้ยมาซื้ออะไรวะเนี่ยนะ เดินกลับไปเปกิโลไปถามมาพ่อให้เพื่ออะไรไลืม嘛 <c oughs> เคยปะเ <c oughs> นี่ยเราขับรถนะอย่างคุณ น, นชโชเนี่ยเล่าให้ฟังเลยเอ๊จะไปไหนมาเนี่ย <c oughs> ม่นลืมนะปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกันนะถ้าเราจำคำสอนเป็นต้นไม่ได้นะปฏิบัติอะไรใช่ไหมเราปฏิบัติเพื่ออะไรอย่างคนที่เจริญสติปัะญาเ น, นี่ยนะต้องรู้อยู่แล้วว่าทางนี้เป็นทางสายเอก เอกายโนอายังพิขเวมัคโคสัตตานังวิสุทิยาเป็นต้นน่ยทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะปริเทวทุกขโทมนัตอุปายาตนะเพื่อบรรุญาญธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ี่เป็นไงนะนะคือพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตเวทนาจิตตาธรรมาเนี่ยนะแล้อย่างไรชื่อว่ากายานุปัสสนาก็ไล่ ไม่งั้นเราปฏิบัติอะไร เ, าเราทําอะไรทําไปทำใหมมีอยู่ครั้งหนึ่งถามโยมท่านหนึ่งเจริญสติปัฏฐานเจริญทําไมมันดียังไงทําไมต้องเจริญนั่นก็แสดงว่าแล้วคนนี้โกรธก็คือเราที่เขาโกรธเนี่ยนะแสดงว่าเขาเข้าใจเรื่องนั้นไม่เพียงพอเพนั้นถ้าเราไปถามอะไรที่คนเขามีปมด้อยเขาจะไม่ชอบอันนี้รู้อยู่แล้วเทคนิคอะไรสอนอว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอย่างงั้นจริงๆ ที่ที่เล่าให้ฟังเพื่อที่เราจะได้ว่าเราปฏิบัติอะไรปฏิบัติไปทำไมจบเมื่อไรดีดีดยังไงเพราะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่หลอกลวงไม่ใช่ตลบตะแลงไม่ใช่คนหลับทำอะ่ะเป็นชาคริยานุโยกมันคนตื่นตัวทำเต็มที่ทำแบบมีความรู้มีความเข้าใจอะ่ะเออแต่ถ้าส่วนตัวผมนะผมถ้าถามว่าเอ๊ะทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมผมมีมีมีตั้งใจไว้อย่างนะครับเพื่อเพื่อที่จะ เพื่อจะละสกายทิถีเจนพนะแต่ว่าคงจะไม่ตรงกับว่าที่เราจะต้องไปรู้สติปัฏฐานนี่นนะฮะแต่ผมเพราะว่ามันมันเป็นเป็นเป็นบันไดขั้นแรกเลยเนี่ยเรื่องสกายติฐิเนี่ยทำยังไงจึงจะเข้าใจที่จะละสกายติถีนี่ไม่ทราบว่า<ต>จะต้องดูว่านะถ้าถ้าใช้คําว่าสกายติฐินี่ก็แสดงว่าสนใจสังโยชนตปะพระนะสกายติฐิวิจิกิจฉาศีลพัตะปรามาตในสังโยชตสุตัตนตในเนี่ย กล่าวถึงว่าถ้าเราจะต้องรู้ก่อนนะทิฏฐิเนี่ยนะถ้าตามสติปัฏฐานพึงรู้จักจักสุพึงรู้จั ก, กสีพึงรู้จกัจกสกายติฐิที่อาศัยตากับสีสกายติฐิที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ประการนั้นด้วยสกายติฐิที่เกิดแล้วจะละด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วย ก็สังโยชน์มันก็ข้อหนึ่งของสังโยชน์คือสักการยติทิฏนั่นเองทีนี้ถ้าเราจะจอยสังโยชน์10มามาเหลือแบ่งเป็นข้อๆเลยนะสังโยชน์มีสิบใช่ไหมสการยติทิวิจิกิจฉ า, า, า, าศีลปะตประมาศนะการมราคาปฏิฆะนะอุทจามานะอนุใสไม่ใช่มานะอวิชาอุทจ่ธธาพวกนี้นะทีนี้เราก็มาไล่เป็นตัวๆเลยไม่เอาสิบแล้วเอาข้อเดียวนะเมื่อสการยติฐิ รู้จักตารู้จักสีรู้จกัจ ก, สจกสกายัติทิฏฐิที่อาศัยตากับสีสกายัติทิฐิที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยทําไมมันจึงเป็นสกายัทิฐิที่มันเกิด เ, เพราะอะไรเพราะไม่ได้สดับเป็นต้นนั่นเองนะเป็นเหตุให้เกิดสกายัติทิฏฐิที่เกิดและจะละได้อย่างไรรู้ชัดประการนั้นด้วยละโดยตทางค้าประหารละโดยวิขำพนะประหารแต่ทางค้าประหารเนี่ยละได้อย่างไร เป็นยังไงเห็นยังไงจึงจะละโดยแต่ทางค่าประหารนะแล้วที่ละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยละได้จริงๆที่โสดาปฏิมาอันนะโสดาปฏิมาจะเกิดเกิดได้อย่างไงเรต้องมองออกทั้งหมดเลยนั่นแหละถ้าถ้าจะเอาแบบนั้นให้ให้สมบูรณ์เลยนะเรียกว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ทําไมจบเมื่อไหร่ถึงยังไงนี่ต้องมองออกให้หมดเลยนะเมาชาคุณภาพว่าจะไปคอมเนตี่ยขนาดนั้นยังรู้ละเอียดเลยนะ ไปเมื่อไหร่ไปยังไงใช้ค่ะเจะจ่ายยังไงไปอยู่กี่วันใช่ไหมต้องรู้หมดเล ย, เยปฏิบัติธรรมเป็นวิชาที่เรา <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วรู้น้อยที่สุดแต่ก็ทํามากที่สุดนะสนใจจริงจริง <c oughs> <c oughs> เ, เป็นอย่างนั้นมาก <c oughs> ของมามองว่าเออนี่นะ <c oughs> ถ้าธรรมะเนี่ยนะศรัทธาเป็นต้นนะถ้าเป็นเม็ดเงินนะศรัทธาเกิดหนึ่งวิถีหนึ่งชวาวนะเท่ากับบาทหนึ่งนะ โอ้โหขาดทุนมากมายมหาศาลยิ่งกับคนไทยติดหนี้ห้าล้านล้านประเทศไทยติดหนี้ห้าล้านล้านเฉลี่ยคนละเจ็ดหมื่นออกมาต้องช่วยใช้ชาติอีกเจ็ด0มืนเออเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วมันเสื่อมโดยที่ไม่รู้ตัวนะพรันอวิชชาเนี่ยนะเป็นความมืดที่น่ากลัวที่สุดอันถ้าไม่มีพระธรรมคาสอนนะมาเปิดเผยของที่ปิดนะ อันถ้าทําคําสอนถ้าศึกษาเข้าใจนะจะเหมือนเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ําบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดสมัยก่อนนี่เขาฟังธรรมเขามีความรู้สึกอย่างนั้นเลยเพื่อให้คนตาดีเนี่ยจะมองเห็นได้ชั้นใดบ้างนั้นถ้าทําคําสอนนี่เป็นอย่างนั้นแจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะแจมแจ้งนักพระเจ้าค่าบ้างเงี้นอั้นเขาฟังเขาจะเห็นแจ้งอาหารสมาทานร่าเริงด้วยธรรมมีกถาถ้าเรามาฟังวันนี้แล้วเครียดกลับบ้านนะขอโทษด้วยนะ แสดงว่าทำทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ดูเหมือนก็รู้นะดูดูมันก็รู้ดูดูเหมือนก็รู้ก็ไม่รู้กอในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องต้องวิจัยจริงๆของามาที่ที่ถามในลักษณะนี้นะเราก็มาถามาเอะเราจะเหมือนดุนฟืนเผาศพหรือเปล่าเมื่อวานอ่าน <c oughs> ๆๆแล้วกน <c oughs> หัวท้ายถูกไฟไหม้ตรงกลางเปื้อนอุจจาระว่างั้น บอกว่าภิกษุบางรูปก็เหมือนกันเมื่อบวชเข้ามานะประโยชน์ทางโลกมันก็หมดแล้วล่ะมันก็เสื่อมนั่นนะประโยชน์ทางธรรมถ้าไม่เข้าใจนี่เราหมดเลยนะมันไม่ต่างอะไรจากดุจนฟืนเผาศพเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนี่ก็ทําให้มันต้องตื่นตัวต้องวิจัยจริงๆไม่งั้นเนี่ยเสียประโยชน์หมดเพราะว่าพ า, ามาเนี่ยมาบวชทีแรกไม่ได้บวชบวชคนเดียวจริงแต่ตอนหลังเนี่ยดึงมาทั้งครอบครัวเพราะนั้นประโยชน์เนี่ยหมดเกลี้ยงหมดนะทำไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่าดุจนฟืนเผาศพอย่างนั้นเป๊ะเลยนั่นแหละ งานนี้ก็ต้องเอาจริงเอาจังให้มันเต็มที่ก่อนศึกษาให้มันเข้าใจก่อนปฏิบัติได้หรือไม่ได้ตามแต่สติตามแต่กําลังแต่ขอให้เข้าใจว่าคืออะไรก่อนเราทํานี้ทําอะไรจบเมื่อไหร่จบยังไงทําไปทําไมดียังไงนะต้องมองออกให้หมดเลยแล้วเราต้องไม่ใช่หลอกตัวเองนะเพราะทำไปทํามาเราจะหลอกตัวเองถ้าหลอกตัวเองเราจะหลอกคนอื่นด้วยหลอกขึ้นนี่หลอกทําไมใช่ไหมเราพูดให้คนฟังนี่ตั้งความปรารถนาอะไร ถ้าตั้งความปรารถนาเพื่อลาบสการะชื่อเสียงเป็นต้นนั่นคือปรารถนาลามกนั่นแหะนั่นคือเอาธรรมะมาทําการค้านั่นเราก็ผิดแล้วแสดงว่าผู้ที่มีจิตมากไปด้วยพิชาเป็นต้นก็นั่นแหละคือลักษณะของดุนฟืนเผาศพเป็นอย่างนั้นนั้นเราก็เป็นศพเดินได้หรือท่อนฟืนเผาศพเดินได้ดีๆนี่เองแล้ก็ต้องพยายามทบทวนบทบาทหน้าที่มาทําไมมาทําอะไรนะเวลาหมดพอดีครับ